ขอความเจริญในธรรมจุมมีใดท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอเรื่องสีละบา ร, รมีมาตามลำดับโอยจะเห็นว่าการรักษาสีระดับพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นการรักษาค่อนข้างอุปติคือหมายความมาทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปจริงๆบางครั้งบางคราวเนี่ย เหตการกระแทแหกกระทันรุนแรงเหลือเกินแล้วก็ตัวอยู่ในสถานะที่จะทำอะไรต้ตอบก็ได้แต่ไม่ยอมกระทําตัวอย่างที่เราคุ้นๆก็คือในพระชาติที่เป็นภูริทตะโพธิสัตว์คุณสมนเจตนาของท่านนั้นต้องการจะรักษาศีลให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องการใกล้ชิด กับนางนาคมานาวิกาทั้งหลายจึงหลบหนีขึ้นมาอยู่ที่จอมปลวกในโลกมนุษย์ก็ไปเจอพราหมณ์ซึ่งเรียนรู้เวทมนต์ในการสะกดงูแต่จริงมันก็สะกดคนอื่นได้นะฮะสำหรับพระโพธิสัตว์ถ้าท่านจะไม่ยอมแล้วก็ทำอะไรท่านไม่ได้ หรือท่านจะหนีซะ ก, ก็ได้หรือท่านจะให้แรงกว่านั้นก็ทําอันตรายต่อพราหมณ์ก็ได้หรืออาจจะฆ่าพราหม์เฉยก็ได้แต่ปัญหาการมองเนี่เป็นเรื่องสําคัญเราจะพบว่าการบําเพ็ญความดีทั้งหลายเนี่ยอย่าไปคาดหวังนะฮะว่าคนจะต้องชอบอันนี้คือต้องตั้งตัวเป็นหลักเป็นหลักไว้เลยว่าทุกคนที่ทําความดีอย่าคิดว่าคนอื่นก็จะชอบทุกคน ผู้เจ้าจึงวางหลักไว้ว่าวินยูชนยกย่องสรรเสริญคือเนื้อหาเนื้อหามันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ที่จริงมันไม่มีความสำคัญอะไรประการยกย่องสรรเสริญของวินยูชนนั้นเป็นการพูดในแง่สังคมเป็นการพูดในแง่ของว่าคนแยกแยะชั่วดีได้แต่ว่าตัวผลจริงๆเนี่ยใครทำคนนั้นก็ได้ มันไม่ใช่ว่าพอบินยูชนยกย่องสรรเสริญแล้วจะเพิ่มปริมาณของศีลอรมีเราไว้สูงขึ้นก็เปล่าคนพาลเขาตำหนิตีเตียนขัดขวางตัดรอนแต่เรายังยึดมั่นในความดีมันก็ไม่ได้ไปลดความดีอะไรของเราลงไปอันนี้คือหลักของความจริงเพราะงั้นในแนวพระพุทธศาสนาเนี่ย ท่านจึงมองไปในแง่ที่ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบเพราะเดิมจะทําทอีกคนหนึ่งนนัะ้บริสุทธิ์หมดจดเยมันเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือหลักการในศาสดาทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าทํายังไงจะรักษาไว้ได้มันต้องเชื่อมั่นในกฎของกรรมเพราะศีลเนี่ยเป็นกุศลกรรมประการหนึ่ง ถ้าคนไม่เชื่อมั่นในกฎข้อกรรมคือมองอะไรแบบตัดตอนอย่างอย่างอันตรายมากเนี่ยคือว่าคนเราเกิดมาันเดียวตายันเดียวเนี่ยคิดอันตรายมากยังมีสมัยหนึ่งยังหดถูอยู่พอสมควรแต่ว่าทราบประทันบุนินตายแล้วนะเขียนหนังสือพิมพ์แต่เราน้อยใจก็คือเขาเป็นมหาป ร, รีญนแล้วก็เรียนมาไม่ใช่เล็กน้อย จเจริญเติบโตในสำนักที่มีการศึกษาดีไดเขียนหนังสือนี่ก็อ้างข้อเดียวน ะ, ะชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดคือหมายความว่าเป็นการพูดในแง่ของความจริงระดับสมมติเพราะความตายที่จริงมันสมมตินะเขาเรียกสมมติมรณะคือสมมติว่าตายมันไม่ได้ตายจริง ว่าตายแล้วก็เกิดอีกอะทีนี้คนที่ตายโดยไม่ต้องเกิดเนี่ยมันมีเฉพาะปราหารันเท่านั้นเพราะพวกเรามันก็อยู่ในกลุ่มสมมติมรณนะแต่เมื่อสมมติก็คือสมมติอะสมมติว่าตายแล้วในกอตายในขอตายในขอตายที่จริงในกอก็ไม่มีในขอก็ไม่มีอะเอาแค่จริงลึกซึ้งจริงๆไม่มีอะไรให้ตายเลยทําไปแต่ก็ไม่ได้พูดกันขนาดนั้นเนาะพูดแต่ว่าในกอในขอตาย เป็นการสมมติกันแต่ว่าไอ้เงื่อนไขปัจจัยของการตายเนี่ยมันเกิดมันก็ตายแต่ปรากฏว่าแกตายไปท่ามกลางเงื่อนไขปัจจัยที่ให้แกต้องเกิดอีกหมายความว่าก่อนจะตายเนี่ยแกไม่ทํำลายกิเลสกิเลสแกก็ยังมีกรรมก็ยังมีเพราะในกิเลสกับกรรมมันก็นําไปสู่ปฏิสนธิวิญญาณต่อไปคือไปถือกําเนิดในขัติกพจนต่างๆในโอกาสต่อไปเพราะนั้นปัญหาสําคัญว่า การตายรักเนี่ยลักษณะอย่างเนี้เขาเรียกว่าสมมติมรณะเพรา ะ, ะชีวิตจากเกิดถึงตายเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่แน่นอนอะไรไม่รู้จะตายเมื่อไรตายที่ไหนตายอย่างไรแต่เราตายแน่มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าประทับใจนะฮะคือในสมัยพุทธกาลพระเจ้าทรงรู้ด้วยพยานว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอจะตายอีกสามปีข้างหน้านี่จะตาย แต่เป็นคนมีวาสนาบารมีพระเจ้าก็ไปสเสด็จไปเยี่ยมในท้องถิ่นตรงนั้นและเธอก็มาเฝ้าฟังเทศเยี่ยงคนธรรมดาเนี่ยพระเจ้าเทศถึงมรณ า, านุสติหรือมานัสติกรรมาานเนี่ยให้ตั้งสติระลึกถึงความตายปรากฏว่าคนจำนวนมหาศาลเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยสนใจให้ทานฟังธรรมแล้วก็จบ ก็แบบชาวพุทธเราทั่วๆไปนะ่ยอี่มาเคยตั้งข้อสังเกตแล้วก็ไม่ใช่วันต้องวันนะทั้งเคตมานานคือมายความมาท้าถึงช่วงกินเลี้ยงในช่วงสนุกสนานนีคนจะเยอะเลยแล้วพอถึงช่วงรับสีเนี่ยคนจะลดลงพอช่วงฟังธรรมเนี่ยคนก็จะลดลงอีกพอช่วงชวนนั่งจเจริญกรรมฐานนะถ้าใหญ่มากมันก็แปลกอะไรหรอ เชิญสงบใจทั้งสติสงบใจหนึ่งนาะทีแบบประเภท น, นี้เจ้าโบจ้าบ้านนี่อยู่ได้นะแต่ข อ, อนั่งกรรมาฐานก่อนสักยี่สิบนาทีแล้วก็เสร็จนะในช่วงนี้เพื่อนหลับตายมันออกไปเยอะเลยนั่นแสดงว่าเป็นปกติไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่อะไรสมัยพุทธกาลมันก็เป็นนั่เพราะงั้นในคนกลุ่มนี้มันก็เด็กผู้หญิงคนนี้ ชื่ออะไรเนี่ยเาไม่บอก เ, เรียกเปรสกาธิดาวัตถกุก็ลูกสาวลูกสาวของนายช่างหุกเท่านั้นเองเรียกว่าลูกสาวของนายช่างหุกเป็นอยู่ในประธรรมบทเ็เรียกว่าเปรสการธิดาวัตถุเป็นเรื่องของลูกสาวนายช่างหุกเธอวังแล้วก็พยายามเอาไปเจริญมรณสติตลอดสามปีพระเจ้าทรงรู้ด้วยพยานว่าเธอใกล้จะตายแล้ว เสด็จไปชาวบ้านรู้ข่าวพระเจ้าเสด็จก็มานะฮะส่วนอหา่ส่วนมากมันก็ถวายพระตาหารเดีพระเจ้าพระองค์เดียวนะคนนั่งเยอะก็ถวายยังไงมันก็สวยได้เท่าที่วถวายเท่าที่สวยได้ก็ลองสังเกตนะฮะว่าการทำบุญแบบให้ทานเนี่ยเราไม่เคยรู้จักประมาณบางทีก็ทำทิ้งทำคว้างสมัยหนึ่งที่มีข่าวลือว่าพระรูปหนึ่งออกบิณฑบาตคนมาตัก ได้อาหารเป็นรถสิบล้อบรรทุกกันหลายๆคันเน่ยเบิญสบายกันจนเกือบชั้นเพลนเลยเพราะก็เป็นมากรรมอะไรที่ที่หรูหรานะฮะแต่ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไหร่พอถึงเวลาทาธรรมเนียมนะพระเจ้าก็ไม่ได้มโนธนาไม่ได้แสดงอะไรเพราะรอลูกสาวในช่างหุกเธอยังติดธุระยังมาไม่ถึง เธอก็รีบกวีก็ว่าดพอสมควรจนมาถึงโอกาสก็มาผู้เจ้ามองเธอเป็นไงยะให้รู้ว่าเข้ามาใก ล, กล้ๆพอมาถึงก็รับสั่งถามว่าเธอมาจากไหนเธอก็บอกว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะถามว่าจะไปไหนล่ะบอกไม่ทราบพระเจ้าค่ะถามว่าไม่ทราบจริงเหรอเธอบอกว่าทราบพระเจ้าค่ะถามว่าทราบจริงนะ บอาไม่ทราบ พ, พิจารณะเลยยุ่งๆนะคือก็ดึนฟังเลยจะยุ่งๆ ย, ยังไงชอบคน่ชาวบ้านก็คือหากันว่าเป็นเด็กเป็นเล็กไปเล่นสัมนวนกับพระพุทธเจ้าก็ตำหนิเอาพระเจ้าก็ไม่สนพระไทยนะคือมาคราวนั้นเน่ะเสด็จมาโปรดผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้โดยเฉพาะเลยถามว่าที่เราถามว่าเธอมาจากไหนนี่ทําไมจึงตอบว่าไม่ทราบเธอบอกว่า ข้าพระองค์ไม่ทราบมาก่อนจะมาเกิดเป็นทิดาเขาในช่างหูกเนี่ยข้าพระองค์เป็นอะไรมาก่อนแล้วเมื่อถามว่าจะไปไหนเนี่ยทำไมจึงตอบไม่ทราบเธอบอกว่าข้าพระองค์ไม่ทราบว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนแต่เมื่อเราสั่งถามว่าไม่ทราบแน่นะเธอบอกว่าทราบคือทราบว่าตายแน่แต่เพื่อให้เธอยืนยันว่าทราบแน่นะเธอบอกไม่ทราบ คือไม่ทราบจะตายเมื่อไหร่จะตายที่ไหนจะตายอย่างไตงตกลงว่าคําตอบของชีวิตเนี่ยสี่ข้อสี่คำถามนี่ยมาจากไหนไปไหนทราบหรือไม่แล้วก็ทราบจริงนะตอบได้ข้อเดียวตอบว่าจริงตอบว่าทราบทราบว่าตายแนย่แต่ว่าตายเมื่อไหรตายที่ไหนตายอย่างไรตายโดยวิธีใดเนี่ยไม่มีใครทราบตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็ไม่ทราบก่อนจะเกิดเนี่ยเรามาจากไหนเราก็ไม่ทราบ นั้นก็หมายความแบบมองเห็นชีวิตเป็นสังสารวัตรที่มีอาการหมุนวนแล้วคนประเภทเนี้ยมันจะพร้อมจะรักษาศีลพร้อมที่จะฟังธรรมพร้อมที่จะบําเพ็ญบารมีเพราะอะไรละ่ะพวกบารมีทั้งหลายเนี่ยยกตัวอย่างศีลก็แล้วกันนะศีลเ น, นี่ยอ น, นิสงส์ส่วนใหญ่เราจะพบพระพุทธเจ้าจะแสดงไปห้าบ้างสิบ้างนะห้าบ้างหกบ้างนะครับ ในกรณีที่ส่งแสดงที่ป่าตลิขามก่อนจะเป น, นิพพานส่งแสดงว่าบุคคลผู้มีศีลจะเป็นผู้ไม่วิปฏิสารใจคือไม่เดือดร้อนใจไม่มีความวิตกกงังวลชื่อเสียงเกียรติคุณความดีของผู้มีศีลจะไม่ที่ยอมรับจกจ้องของคนทั้งหลาย ผู้มีศีลจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความมุ่งหากระหารจะเข้าไปในสมาคมใดก็ไม่หวาดหวนันพลานพึิงนะเข้าไปสู่สมาคมด่านั้นผู้มีศีลก่อนจะตายนั้นจะมีสติตายคือไม่ลงตายแล้วก็ข้อสุดท้ายเมื่อตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติ นั่นจะเห็นได้ว่าก็เป็นผลสัมผัสในปัจจุบันอยู่สามข้อคือเราไม่มีปัญหาความผิดพลาดบกทรองอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนใจอะไรอ่ะจะพูดเรื่องอะไรก็พูดไปเราก็นั่งฟังได้เฉยๆสงบเย็นแล้วก็สักค้านคนอื่นก็ได้ยังข่าวคราวที่ปรากฏโดยหน้าหนังสือพิมพ์นานเนี่ยคือมาเองฟังเฉยๆนะฮะคือมีความรู้สึกววาเฉยๆว่าถ้าเรากล้าาหารจริงๆเราเชื่อมั่นจริงๆมันกลัวอะไร ที่จริงน่าจะรีบเร่งท้าทายให้เขารีบตั้งกรรมการขึ้นมาตรวสอบเลยพอมีข่าวเขาจะโจทก์ก็เชิญตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วก็สอบเลยเราก็พร้อมที่จะไปนัดวันไหนก็ไปมา่นั้นเลยสอบกันสักกี่ชั่วโมงก็เอาทักมาอย่างไงก็ได้นะคือพูดความจริงเนี่ยมันง่าย่าตายพูดเท่าที่เรารู้อะเรื่องเราไม่รู้เราก็ไม่พูดก็จบเราไม่ต้องไปแก้ต่างแก้ติงอะไรอะความจริงมันก็คือความจริงอะ่ะแล้วเราจำมาได้นะ วันก่อนเนี่ยมันมีปัญหาที่ต้องมีการตรวจสอบในการฟ้องร้องกันมาเราก็เรียกคนที่ถูกกล่าวหามาตรวจสอบคืออ่านหนังสือเราเห็นแล้วมันพิกดเนี่ยคือแสดงมีการกล่าวหานี่มาถึงแกอธิบายเป็นฉากเป็นมักเป็นเบนมีเอกสารทยอยดูเป็นแผนเป็นแผนเป็นแผนเป็นแผนเลยไม่มีความติดขัดเลยแล้วก็พูดเราก็เห็นว่ามันเป็นความจริงตามที่แก ว, ว่านั่นและเอกสารก็ยืนยันอยู่ด้วย แล้วพูดถาม ก, กี่ครั้งกก็ตอบอย่างนั้นใครถามกก็ตอบอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ตอบเป็นอย่างอื่นเพราะความจริงเนี่ยมันเรื่องง่ายต่อกันต่อการที่จะชี้แจงเราพูดตามที่เราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มัยังไงเราก็พูดไปอย่างนั้นมันก็องอากอ่ะกระหารจะเข้าไปในสมาคมใดก็องอาจเดินจุดๆๆก็ไปเลย ะ, ะเอาอยัางไงก็เอามาใจก็สงบ เมื่อสงบแล้วมันระลึกถึงมาเกิดปิติปราโมทต่ก็ผ่องแพ่วแม้จะอ่อนแอลงบ้างนะครับเพราะเจะ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่ถึงกับหลงตายพอตายไปแล้วด้วยจิตใจใจที่ผ่องแพ้วมันก็ไปบังเกิดในสุคติเพราะนั้นเราจะเห็นว่าพวกบรารมีเนี่ยมันต้องเชื่อเรื่องสังสารวัฏเพราะการบำเพ็ญบารมีนเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเหนื่อยนะ รักษาให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเราเจนว่าเราจะตุ้มเทเสียสละเหน็ดเหนื่อยมากลงทุนเยอะเหลือเกินนะแต่ที่ได้ผลเพียงแค่ว่าก่อนตายอย่างเงี้ยมันไม่มีใครทำหรอกมันเหมือนกับเราบอกคนให้ปลูกอะไรสมมติว่าปลูกมะม่วงนะปลูกมะพราะ้าวคุณปลูกมะม่วงลงไปจะได้ต้นมะม่วงหนึ่งต้นจะลูกมะม่วงหนึ่งลูกอย่ี้ไม่มีใครปลูกหรอก มันไม่คุ้มค่าอะไรขึ้นมาเลยแต่บอกว่าเราปลูกมะม่วงลงไปหนึ่งเมล็ดนี่นะจะได้ต้นมะม่วงหนึ่งต้นต้นมะม่วงเหล่านั้นเมื่อผ่านการเวลาไปแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกใบออกดอกออกผลไปเรื่อยๆทยอยหมุนกันไปเรื่อยๆแล้วคนก็ได้เก็บเกี่ยวผลจากมะม่วงต้นนั้นอยู่ตลอดไปบทยุค ข, ของเราแล้วถึงลูกหลานก็ยังได้กินกันอยู่นะบางชนิด เาพ้าดอะไรแต่อะไรกงน้องนั้นเราก็เห็นว่บผลเนี่ยมันมากกว่าเหตุหมายความว่าลงทุนไปในระดับหนึ่งแต่ว่าผลเนี่ยมันจะทยอยให้เป็นคลื่นเป็นกรรมฐาญาติเราก็อาศัยผลของกรรมเหล่านั้นได้คนเ่าก็พร้อมที่จะทำศีลก็จะมีลักษณะอย่างนี้น พ้นพูดศีลจึงบอกผลบุญที่เราเห็นมาห้าข้อนี้ลองสังเกตสามข้อแรกเนี่ยเป็นผลในชาติปัจจุบันที่ทุกคนรักษาศีล น, นะต้องรักษาศีล น, นะจึงจะเห็นได้ถ้าไม่รักษาแล้วก็ไม่เห็นหรอกข้อที่สี่เนี่ยมันกั้งกึ่งเพราะว่าคนกำลังจะตายท่านบอกไว้ในตรกรฐานะไม่ใช่พระบาลีที่พบนะยังไม่เคยพบระดับพระบาลีท่านบอกว่า คนที่กำลังจะตายเนี่ยหลับตาเนี่ยเห็นโลกหน้าลืมตาเห็นโลกนี้ท่านเห็นก็ท่านจริงๆรนะตามที่บอกว่าเป็นกรรมารมณ์กรรมอนิมิตตารมคตินิมิตตาลมมันมองเห็นทางระบบเป็นคลื่นนะเป็นคลื่นที่จะเชื่อมโยงโลกนี้กับโลกหน้าไว้รางคนบางคนตายยิ้มตายิ้ ม, มเหมือนกับนอนหลับยิ้มนะนั่นก็แสดงว่าจิตใจก็ผองแผวมา วันก่อนยังไปรถน้ำศพประาจา ท, า, าที่พระราชาธิวาสเจ้าคุณชูธมาธิปดีแต่ตอนมาในทางขึ้นมันแคบนะเราก็มองมาทางหน้าตา่างเตียนท่านนอนนอนยิ้มต่ตอนรถน้ำศพก็นอนยิ้มอย่างนั้นนอนหน้าตาแจ่มใสแต่ตอนว่าคำ่ำตอนไปเยี่ยมศพท่านไม่ใช่เยื่ยมศพก็เยี่ยมตัวท่านนะก่อนจะตายตอนตายตอนทีสามแล้วเราไปเยี่ยมประมาณสามสี่ทุ่ม ก็หน้าตาผ่องใสก็ยังนึกว่าจะหายได้ทาไปแต่พอเราเห็นว่าเมื่อท่านตายไปแล้วหน้าตาท่านผ่องใสเราก็สบายใจะนะไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรก็ท่านไปดีแล้วไปดีมันก็ดีกว่าอยู่ในโลกนี้นะถึงแม้จะเป็นเจา้าขุนชั้นิรันยบัตมันก็ดีกว่าตายไปบังเกิดในโลกหน้ามันก็ดีกว่าเพราะว่าภูมิจิตเนี่ยมันนาไปสู่พบที่เป็นพระนิษ ซึ่งจเจริญด้วยยุวนาสุขาพรารูปเสียงเริยนรดผธภะนะรัศมียธิบดีเนี่ยมันก็เหนือกว่าเหนือกว่าที่อยู่ในโลกมนุษย์เพราะท่านภูริทัตโพธิสัตว์เราจะเห็นว่าท่านมองไปไกลกว่านั้นไม่ใช่มองไปแค่ชาติหน้านะแต่ท่านมองไปสู่เป้าประสงค์ของท่านที่จะสสรุอนุตราชมาสัมโพธิญาณเพื่อรู้ขนสัตว์หลุดพ้นจากสังสารทุก์ ในตรงนี้ที่เคยเล่าให้ฟังคนข้างนานมาแล้วนะที่เรียกว่ามีธรรมะสมุทฐานอยู่สองข้อสองข้อสุดท้ายนะฮะคือมีฉันทะตาสมบัติคือพอใจในประสพพันยุตยานะอย่างยิ่งยวดเลยพร้อมเจ็บปวดพร้อมเผชิญอุปสรรคอันตรายพร้อมจะเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อได้มาซึ่งสัพพัญยุตยานาะการกระทาของท่านจึงเป็นอธิการสมบัติ สมบูรณ์ในการกระทาที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่วิสัยที่สามัญชนจะไปคิดเนะ่คืออย่าไปคิดว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นเราไม่ทาอย่างนั้นถ้าเป็นเราเราไม่ยอมเราไม่ใ่คนระดับพระโพธิสัตว์คืออย่าไปคิดเทียบตัวเองกับพระโพธิสัตว์นะเพราะถ้าเราคิดแล้วเนี่ยเราก็มั่วแนละ้ว นะอย่างคนบางคนไปโจมตีพระเวสสันดรไปรโจมตีการกระทําของพระโพธิสัตว์ได้บางต่อแล้วทําไมจะต้องทอดทิ้งลูกเมียรับลําบากทาไมจะต้องทรม า, านตัวเองอย่งงางนั้นเป็นเราเราไม่เอาหรอกเราความคิดไม่ใช่ระดับโพธิสัตว์มันคิดไม่เป็นอ่ะคนระดับนี้ก็จะคิดอีกเรื่องหนึ่งเลยจะไม่คิดแบบสามัญนะเพราะท่านคิดแบบสามัญท่านก็แสดงว่าท่านเป็นสามัญชนแต่เมื่อท่านเป็นพระโพธสัตว์ พรโพธิศัตว์ท่านก็เป็นความคิดระดับวิสามันคือคิดพิเศษเออกไปเป็นการอดทนอดกลั้นคือตรงนี้เราเจนว่ามีศีลบาลมีเมติฐานบาลมีมีสัจจะ บ, บาลมีมีเรียบาลมีมีปัญญาบารมีก็มีครบใน ม, มามเวเบียขาบาลมีไม่ยินดียินได้เลแต่ว่า น, นั้นก็เป็นลักษณะที่อะไรละ่ะอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เรยยังชอบถึงคําสอนของพระเจ้าทีคิติโกศลที่สอนทีกวุกุมารแล้วคนไทยเอามาพูดถึงว่ารักยาวให้บรรดสั้นในต่อเนี่ยทีกวุกุมารนั้นหนีรอดมาได้เมื่อพระเจ้ากรุงปารีไปโจมตีแล้วก็จับพระเจ้าทีคิติโกศลซึ่งไม่ยอมรบด้วยเนี่ยมาเป็นเชลยแล้วก็นําไปสู่ตะแลงแกงเพื่อฆ่าทีกวุกุมานก็มายืนดูอยู่ด้วยแต่ว่าใครไม่รู้จัก ต่งก็เห็นว่ากลัวลูกชายจะเกิดโกรธขึ้นมาแล้วก็อาละวาดอาจจะูกขาดตายไปด้วยตอนเด็กสังราชเจ้าเนี่ยก ม, มหลวงวชีนรนิพนธ์สรงเรียบเรียงขึ้นเป็นฉันหลายบทในประโยชน์ตัวนี้มันเพราะอาดูดวงจิตบิดาฟังคำพ่อว่าจงเห็นแก่การยาวนานอย่าเห็นแก่สั้นเกินการชื่อเวรปัรานระงับพระปูเวรกัน มายความต้องคิดให้ไกลนะงองไปให้ไกลแล้วก็ใยขวัญให้สูงเป้าหมายสูงมากเลยนะไปนุ่นเลยสอบปัญญายุตยานนมเพราะคิดสั้นๆไม่ได้แต่เห็นแก่สั้นแล้วเนี่ยมันในที่สุดชีวิตเราก็จะสั้นด้วยแล้วก็จะกลายเป็นการจงเวินองกรรมกัรมาหาข้อยุติไม่ได้ ก, ก็ใกล้ๆก็เราจะขึ้นถึงยอดเขาแล้วนะฮะเพื่อนผลักตกลงมาริมเหวเลยกลงลงเหวหายไปเลยมันก็ต้องไต่ก้นจากก้นเหวขึ้นมาใหม่ใช้เวลาปีเยอะเลยเพราะมนปฏิทานในการบำเพ็ญเพียรความดีของพระโพธิสัตว์ไม่ว่าระดับทานระดับเสียง ก, ก็ตามนะที่ระดับต่อไปก็ตามเราสังเกตว่าจะเรียกว่า อะไรละอารั ธ, ธเวริโย ว, วิหรติคืออยู่ด้วยความเพียปรปลดความเพียรพยายามกระเถิบไปต่อเนื่องไปเรื่อยมากน้อยก็ไม่รู้แหละแต่ไม่ทอดทิ้งความพยายามทั้งในการป้องกันบาปอ ก, ก, กุศลทั้งในการขจัดบาปอกุศลที่แมแลงกระตุ้นมาจากข้างนอกหรือว่าตนเองเนียวนึกถึง น, นึกขึ้นมาเองนะก็จะขจัดจะป้องกันจะบรรเทา แม้อยู่ในสถานะที่จะทำอะไรได้ทั้งหมดแต่ไม่ทำอันนี้คือสำคัญโดยเดนว่าถ้าพูดถึงง่ายของขันติว่าขันติอย่างบรมขันติเลยคนที่อดกลั้นอดทนต่อการกระทำของคนที่อ่อนแอกว่าตัวเองได้เนี่ยครับเกิดธรามต่มานึกถึงพญาสันทีลล้อมกรุงธนบุรีสมัยพระเจ้าตากสินน้นนึกอยู่เรื่อยตั้งแต่เด็กเลยวันนึกกว่ามือขนาดพระเจ้าตากสินมือขนาดพยาพิชายดาผักเนี่ย รอยให้พยาสันกิ๊กกอกมาจากไหนเนี่ยปล่อยมาล้อมเมืองอยู่ได้ถ้าไม่มีพระเมตตาต่ออาณาประชาราฐฎรแล้วลุยผักเดียวก็เรียกพูดธดาวแต่ท่านไม่ทํานะฮะเหมือนกับพระปกเก้าจะอยู่หัวที่ท่านอยู่ที่หัวหินเราก็เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยพยักหน้าครั้งเดียวเนี่ยขี้เกียจจะตายกันเกิดเมืองแล้วนะแต่นั่นคือหมาบุรุษเขาจะคิดแบบหมาบุรุษเขาไม่ได้คิดแบบสามัญ น, นะ่ไม่ใช่ทาไม่ได้แต่ไม่ทํา พฤติธรรมมัจะเป็นบาปเป็นกรรมกันเป็นการใหญ่แล้วก็เป็นบิดการเบ็ดเบียนล้างผลาญกันภายในชาติเพราะงั้นถึงจุดหนึ่งก็เสียสละเพรเสียสละมาเยอะแล้วเสียสละอีกสักครั้งหนึ่งมันจะเป็นอะไรไปและในสุเทตก็เสียสละเพราะคือเป็นแบบฉบับว่าหมาบุรุษเนี่ยเขาคิดอย่างเนี้ยคิดแบบพระเจ้าตากศีลคิดแบบพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคิดแบบอะไรทั้งหลายบประชนเรานี่ยยเยอะแยะไปหมดแตัวเจ้านั้นก็เป็นสุดยอดในเรื่องตรงนี้ต้องฟังทั้งหลาย ใด้รบพระโพทิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปปู์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี